พระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติตระกูลที่เจริญด้วยศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์ให้เป็นตระกูลเสขะด้วยยติทุติยกรรมภิกษุทั้งหลายพึงให้เสขะสมมุติอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมมืวาจาว่า